พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่วิพังขวักหมวดว่าด้วยการจำแนกธรรมพระเทกรัตตสูตรผู้มีราตรีเดียวเจริญไม่ห่วงหาอาดีตไม่หวังเรื่องอยังมาไม่ถึงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหละ ราผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสแสดงอุเทศคือบทตั้งหัวข้อธรรมและวีิพังคือคำอธิบายหรือการจำแนกแจกแจงโดยละเอียดของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญตรัสกถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่กวนคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ห่วงหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง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 ไครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้รานทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่นี้นั่นแหละ ว, ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไร คือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอย่างนี้บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคต เราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาพึงมีสังขารพึงมีวิญญาณอย่างนี้บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจคันว่าในอนาคตเราพึงมีรูปเราพึงมีเวทนาเราพึงมีสัญญาเราพึงมีสังขาร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 ส่วนบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมหรือธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นตรงกันข้ามกันคือได้สดับได้รับคำแนะนำฉลาดในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นขันห้านั้นโดยความเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นเราภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมหรือธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหลบุคคลไม่กวนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่กวนหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึง สิ่งนั้นก็เป็นอันอยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆบุคคลนั้นกวรเจริญธรรมะนั้นให้จำแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจงมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้น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 พัฒเกกรัตสูตรสำหรับพระสูตรลำดับถัดไปคืออันนาะพัฒเกกรัตสูตรเป็นเรื่องของพระอานนท์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญให้ภิกษุทั้งหลายฟังซึ่งข้อความเหมือนกันกันกบพัฒเกกรัตสูตรนี้ทุกประการต่อมาพระผู้มีพระภาจึงเรียกมาตรัสถามว่าแสดงทำเรื่องนี้ไว้อย่างไรท่านพระอานนท์ทูลเล่าถวาย ราผู้มิประภาคส่งยอมรับว่าเนื้อความนี้ถูกต้องทุกประการ